ฝ่ายปุณกกะยักษ์พักพระมหาสัตว์ไว้บนยอดกาลคิรีบันพทแล้วจึงคิดว่าเมื่อวิธุระบัณฑิตนี้ยังมีชีวิตอยู่ชื่อว่าความเจริญย่อมไม่มีแก่เราจำเราต้องฆ่าวิธุระบัณฑิตนี้ให้ตายเสียถือเอาเนื้อหาไทยไปถวายพระนางวิมลลาที่น่าพิภพจักรับนางอิรันทตีไปสู่เทวโลก พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นได้ตรัสพระคาถาว่าปุนกะยักษ์นั้นไปยืนคิดอยู่บนยอดกาลาคิรีบรรพศนั้นความคิดย่อมเป็นความคิดสูงสูงต่ำต่ประโยชน์อะไรกับความมีชีวิตอยู่ของวิทุระบัณฑิตนี้หามีแก่เราไม่เราจะฆ่าวิทุระบัณฑิตนี้เสียแล้วนำเอาแต่ดวงใจไปเถิด บรรดาคาเหล่านั้นคําว่าโสได้แก่ปุณกญาตินั้นข้อว่าไปบนยอดการาคิรีบรรพจนั้นตัดฐะคันตวานะความว่าไปยืนอยู่ที่บนยอดการาคิรีบรรพจนั้นคําว่าความคิดเจตนากาความว่าความคิดที่เกิดขึ้นทุกขณะจิตย่อมเป็นความคิดสูงบ้างต่ําบ้าง แต่ว่าความคิดเป็นเหตุให้ชีวิตแก่พระมหาสัตว์เป็นฐานะอันจะพึงเกิดขึ้นบ้างมิได้มีเลยเพราะเหตุนั้นอุณกะยักษ์ได้ทำตามความตกลงใจว่าเรามิต้องการให้วิทุระบัณฑิตนี้มีชีวิตอยู่ไปถึงในนาคพิภพนั้นแม้แต่น้อยหนึ่งเลยเราจะฆ่าวิทุระบัณฑิตในที่นี้นำเอาแต่ดวงหไทยของเธอนี้เท่านั้นไป ลำดับนั้นปุณกะยักษ์คิดว่าถ้าอย่างไรเราไม่พึงฆ่าวิธุระบัณฑิตนี้ให้ตายด้วยมือของตนจะให้ถึงซึ่งความสิ้นชีวิตด้วยการแสดงรูปอันน่าสะพึงกลัวแล้วจึงแปลงกายเป็นยักษ์หน้าสะพึงกลัวมาขู่พระมหาสัตว์ผลักพระมหาสัตว์นั้นให้ล้มลงจับเท้าทั้งสองใส่เข้าในระหว่างแห่งฟัน ทำอาการเหมือนประสงค์จะเคี้ยวกินถึงทำอาการอย่างนั้นความสะดุ้งกลัวแม้เพียงเป็นเหตุทําให้ขนลุกก็ไม่ได้มีแก่พระมหาสัตว์ลำดับนั้นอุนละกยักษ์จำแลงเพศเป็นพญาไกรสอนราชสีเป็นช้างตกมันตัวใหญ่บ้างวิ่งมาทําดังจะทิ่มแทงด้วยเขี้ยวและงาเมื่อพระมหาสัตว์ไม่สะดุ้งกลัวแม้ด้วยอาการอย่างนั้น จึงในระมิตรเพศเป็นงูใหญ่ประมาณเท่าเรือกโกลนลำหนึ่งขู่ฟอฟ อ, ฟอเลื้อยมาพันสรีระร่างกายของพระมหาสัตว์กระวัดรัดให้รอบแล้วแผ่พังพานไว้บนศีรษะแม่เหตุทำให้กลัวเพียงความเสียงขนก็มิได้มีแก่พระมหาศัตว์ลำดับนั้นปุณกะยักษ์จึงพักพระมหาสัตว์ไว้บนยอดบรรพศบันดาลให้พายุใหญ่พัดมา ด้วยหมายว่าจะทาให้พระมหาสัตว์ตกลงเป็นจุนวิจุนไปพายุใหญ่นั้นมิอาจพัดแม้ศักว่าปลายเส้นผมให้ไหวได้ลำดับนั้นบุณกะยักษ์จึงพักพระมหาสัตว์ไว้บนยอดบรรพจนั่นแหละเขยา่าบรรพจนให้ไหวไปมาดุดช้างเขย่าต้นเป้งฉะนั้น ถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจทำพระมหาสัตว์ให้เคลื่อนจากที่ยืนแม้ประมาณเท่าเส้นผมได้ขณะนั้นอุณกะยักษ์จึงชําแรกเข้าไปภายในแห่งบรรพธร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังทำแผ่นดินและนภอากาศให้มีเสียงกึกก้องสนั่นวันไหวเป็นอันเดียวกันด้วยหมายใจว่าจักชําแหละหทไทยของพระมหาสัตว์ให้ตาย ด้วยความสะดุ้งหวาดเสียวจากเสียงถึงทำอาการอย่างนั้นเหตุทำให้กลัวแม้เพียงแต่ความเสยแขงขนก็มิได้มีแก่พระมหาสัตว์แท้จริงพระมหาสัตว์ย่อมทราบว่าที่แปลงเพศเป็นยักษ์เป็นราชสีเป็นช้างและเป็นพญานาคมาก็ดีทำให้ลมพัดและเขย่าบรรพดก็ดีชําแรกเข้าไปยังภายในบรรพดแล้วเปล่งสีหนาคก็ดี คือมานบนั่นเองหาเป็นคนอื่นไม่ลำดับนั้นอุณกะยักษ์คิดว่าเราไม่สามารถให้วิธุระบัณฑิตนี้ตายด้วยความพยายามภายนอกได้อย่าเลยเราจะให้เธอตายด้วยมือของเรานี่แหละคิดดังนี้แล้วจึงพักพระมหาสัตว์ไว้บนยอดบันพศลงไปสู่เชิงบันพศชําแรกขึ้นไปโดยภายในบันพศ ดังบุคคลร้อยได้แดงเข้าไปในดวงแก้วมณีร้องตวาดด้วยเสียงอันดังจับพระมหาสัตว์เข้าให้มั่นยกกวัดแกว่งให้ศีรษะลงล่างแล้วคว้างไปในอากาศซึ่งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเพราะเหตุนั้นพระาศาสดาจึงตรัสพระคาถาว่าอุนกะยักษ์นั้นมีจิตคิดประทุษร้ายลงจากยอดเขาไปสู่เชิงเขา พักพระมหาสัตว์ไว้ในระหว่างภูเขาชําแรกเข้าไปภายในภูเขานั้นจับพระมหาสัตว์เอาศีรษะลงล่างคว้างลงไปที่พื้นดินที่ไม่มีอะไรกีดกัน้นบรรดาคาเหล่านั้นคาว่าไปคันตวา่าความว่าอุนกะยักษ์ลงจากยอดบรนพตไปสู่เชิงบรนพศยืนที่ระหว่างแห่งบรรพศแล้วชําแรกไปในภายใน มาปรากฏภายใต้พระมหาสัตว์ผู้ยืนอยู่บนยอดแห่งบัรพศจับพระมหาสัตว์คว้างลงไปที่พื้นแผ่นดินที่ไม่มีอะไรกีดขวางคำว่าจับทารายิยความว่าครั้งแรกจับพระมหาสัตว์นั้นให้มีสีรษะลงเบื้องต่ำก็ปุณกะยักษ์ยืนอยู่บนยอดบัรพศนั่นเองคว้างพระมหาสัตว์ลงไปที่พื้นแผ่นดิน ครั้งแรกพระมหาสัตว์ตกลงไกลประมาณ15ห้าโยศแล้วยื่นมือออกไปจับเท้าทั้งสองของพระมหาสัตยกขึ้นให้มีศีรษะลงล่างมองดูหน้าทราบว่ายังไม่ตายจึงคว้างพระมหาสัตว์ไปอีกแม้ครั้งที่สองพระมหาสัตว์ตกไปไกลประมาณส0โยศแล้วยื่นมือออกไปจับพระมหาสัตว์ยกขึ้นโดยทานองนั้นเหมือนกัน แลดูหน้าเห็นว่ายังมีชีวิตอยู่จึงคิดว่าถ้าคราวนี้เธอตกไปแม้ไกลได้ประมาณ60สยชย์จักไม่ตายไซสเราจะจับเท้าของเธอฟาดลงบนยอดบรรพจน์นี้ให้ตายลำดับนั้นปุณกะยักษ์ได้คว้างพระมหาสัตว์เป็นครั้งที่สามในเวลาที่พระมหาสัตว์ตกไปไกลได้ห0โยชย์แล้วจึงยื่นมือออกไปจับเท้าพระมหาสัตว์ ยกขึ้นมองดูหน้าปายพระมหาสัตว์คิดว่ามานพนี้คว้างเราไปครั้งแรกไกล15ห้ายดแม้ครั้งที่สองก็ไกลส0สยดครั้งที่สามไกลห0สยอดบัดนี้มานบนี้จะไม่คว้างเราไปอีกแต่ว่าเขาจะยกเราขึ้นฟาดบนยอดบรรพจนี้ให้ตายโดยแท้เราซึ่งมีศีรษะห้อยลงเบื้องล่างอย่างนี้ จักถามถึงเหตุที่จะฆ่าเราในเวลาที่ปุณกกะยักษ์จะยกพระมหาสัตว์ขึ้นฟาดลงกับยอดบันทศพระมหาสัตว์ไม่ได้สะดุ้งกลัวและครันครามเลยได้กระทำเหมือนเดิมนั่นแลด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระคาถาว่าวิธุระบันดิตผู้เป็นอมตประเสริฐสุดของชาวกุรุรัตเมื่อถูกห้อยศีรษะลงในเหวอันชัน อันเป็นที่น่ากลัวน่าสยดสยองน่าหวาดเสียวมากก็ไม่สะดุ้งกลัวได้กล่าวกับปุณกะยักษ์ว่าท่านเป็นผู้มีรูปดังผู้ประเสริฐแต่หาเป็นคนประเสริฐไม่คล้ายจะเป็นคนสำรวมแต่ไม่สำรวมกระทากรรมอันหยาบช้าไรประโยชน์ส่วนกุศลแม้แต่น้อยหนึ่งย่อมไม่มีในจิตของท่านท่านจะโยนข้าพเจ้าลงไปในเหว ประโยชน์อะไรด้วยการตายของข้าพเจ้าจะพึงมีแก่ท่านหนอวันนี้ผิวพัรุ์ของท่านเหมือนของอมนุษย์ท่านจงบอกข้าพเจ้าท่านเป็นเทวดาชื่ออะไรบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าวิทุระบันดิตเมื่อถูกห้อยศีรษะโสลํมพมาโนความว่าวิทุระบันดิตผู้เป็นปราดประเสริฐสุดของชนชาวกุรุ เมื่อมีศีรษะห้อยลงไปในเหวอันชันเป็นวาระที่สามคำว่าผู้มีรูปดังผู้ประเสริฐอริยาวะกาโสความว่าท่านเป็นผู้มีรูปเช่นกับผู้ประเสริฐมีวันณะดังเท พ, พบุตรเที่ยวไปอยู่คำว่าแต่ไม่สํารวมอสัญญโตได้แก่ท่านเป็นผู้ไม่สํารวมกายเป็นต้นเป็นผู้ทุศีล คำว่าไร้ประโยชน์อจจาหิตังได้แก่ซึ่งกรรมอันล่วงเสียซึ่งประโยชน์หรือกรรมอันไม่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคำว่าในจิตของท่านพาเวจะเตความว่ากรรมอันเป็นกุศลแม้น้อยหนึ่งก็ย่อมไม่มีในจิตของท่านข้อว่าวันนี้ผิวพันธ์ของท่านเหมือนของอมนุษย์อมนุษย์ศรวะเตอัจชะ วันโนได้แก่วันนี้เหตุของท่านเป็นเหตุของอมนุษย์ทีเดียวคําว่าท่านเป็นเทวดาชื่ออะไรกะตามาสิเทวตาความว่าท่านเป็นยักษ์ชื่ออะไรในระหว่างแห่งยักษ์ทั้งหลายลำดับนั้นปุณกะยักษ์กล่าวกับพระมหาสัตว์ว่าข้าพเจ้าเป็นยักษ์ชื่อปุณกกะและเป็นอมสาธของท้าวกุเวระ ท่านคงได้ฟังมาแล้วพญานาคใหญ่นามว่าวรุณผู้ครอบครองนาพิภพมีรูปงามสะอาดสมบูรณ์ด้วยผิวพรรณและกำลังข้าพเจ้ารักใคร่อยากได้นางนาค ก, กัญญานามว่าอิรันธตีทิดาของพญานาคนั้นแน่ท่านผู้เป็นปรารเพราะเหตุแห่งนางอิรันธตีผู้มีเอวอันงามน่ารักนั้น ข้าพเจ้าจึงตกลงใจจะฆ่าท่านบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นอมตะสชีโบได้แก่ออมตะผู้กระทาราชกิจคำว่าใหญ่พระหาได้แก่สมบูรณ์ด้วยส่วนยาวและส่วนกว้างคำว่าสะอาดสุจิได้แก่เช่นรูปทองอันยกขึ้นแล้ว คำว่าสมบูรณ์ด้วยผิวพรรณและกำลังวั น, นะพลูปะปันโนความว่าผู้เข้าถึงด้วยความงามแห่งเรือนร่างและด้วยกำลังกายคำว่าทิดาของพญานาคนั้นตัดสานุชังได้แก่ทิดาผู้เกิดแต่พญานาคนั้นคำว่าตกลงใจปตาระยิงความว่าข้าพเจ้ายังจิตให้เป็นไปแล้ว ได้กระทําการตกลงใจแล้วพระมหาศัตได้สดับดังนั้นจึงคิดว่าโลกนี้ย่อมฉิบหายเพราะความถือผิดปุญญกะยักษ์ผู้ปรารถนานางนาคมานวิกาจะได้ประโยชน์อะไรด้วยความตายของเราเราจะถามให้รู้เหตุนั้นโดยท่องแท้เสียก่อนแล้วกล่าวคาถาว่าแน่ ä, ยักษ์ท่านอย่าได้มีความลุ่มหลงนักเลย สัตว์โลกเป็นอันมากฉิบหายแล้วเพราะความถือผิดเพราะเหตุไรท่านจึงทำความรักใคร่ในานางอิรันธตีผู้มีเอวอันงามน่ารักท่านจะมีประโยชน์อะไรด้วยความตายของข้าพเจ้าเชิญท่านจงบอกเหตุทั้งปวงแกข้าพเจ้าด้วยลำดับนั้นอุนกะยักษ์เมื่อจะบอกแกพระมหาสัตว์จึงกล่าวคาถาว่า ข้าพเจ้าปรารถนาธิดาของพยาวรุณนาคราชผู้มีอานุภาพมากข้าพเจ้าชื่อว่าเป็นผู้รับอาสาญาตของนางอิรันธตีญาติเหล่านั้นได้สำคัญข้าพเจ้าว่าถูกความรักใคร่ครอบงำโดยส่วนเดียวเหตุนั้นพยาวรุณนาคราชผู้เป็นพ่อตาได้ตรัสกับข้าพเจ้าผู้ทูลขอนางอิรันธตีนาคกัญญาว่า เราทั้งหลายพึงให้ธิดาของเราผู้มีร่างกายงามสมส่วนมีเนตรงามอย่างหน้าพิศวงรูปไหล่ด้วยจุนแก่นจันทร์ถ้าท่านพึงได้ดวงหะไทยของวิธุระบัณฑิตนํามาในหนา้าพิภพนี้โดยธรรมเพราะความดีความชอบนี้ท่านก็จะได้ธิดาของเราเราทั้งหลายไม่ได้ปรารถนาทรัพย์อื่นยิ่งไปกว่านั้นแน่ท่านอัมมาศ ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนหลงท่านจงฟังให้ทราบเรื่องอย่างนี้อันหนึ่งข้าพเจ้าไม่ได้มีความถือผิดอะไรอะไรเลยเพราะดวงหาไทยของท่านที่ข้าพเจ้าได้ไปโดยชอบธรรมท้าววรุณนาคราชและพระนางวิมลาจะประทานนางอิรันทตีนาคกัญญาแก่ข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพยายามเพื่อจะฆ่าท่าน ข้าพเจ้ามีประโยชน์ด้วยการตายของท่านอย่างนี้จึงจะผลักท่านให้ตกลงในเหวนี้ข่าเสียแล้วนำเอาดวงหัตไัยไปบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าปรัธนาธิดาทีตุกามโมความว่าข้าพเจ้าอยากได้คือปราธนาธิดาจึงเที่ยวไปเพื่อต้องการธิดาคำว่าเป็นผู้รับอาศาญาต ยาติพโตหัมัสมิความว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับอาสาพวกญาติของนางอิรันทตีนั้นมาคำว่าตังแปลว่าซึ่งนางนาคมานวิกานั้นคำว่าผู้ทูลขอยาจะมานังได้แก่กะข้าพเจ้าผู้ขออยู่คำว่าข้าพเจ้าว่ายะถามังความว่า เพราะเหตุนั้นพยาวรุณนาคราจจึงได้ตรัสกับข้าพเจ้าผู้ทูลขออยู่คำว่าถูกความรักใคร่ครอบงำโดยส่วนเดียวสุกามณีตังความว่าญาตเหล่านั้นได้สำคัญคือรู้ว่าเราถูกความรักใคร่นาไปด้วยดีคือโดยส่วนเดียวเพราะเหตุนั้นพยาวรุณนาคราชผู้เป็นพ่อตาจึงได้รับสั่งกับข้าพเจ้า ผู้ไปสู่ขอนางอิรันทตีนาคัญญานั้นเป็นต้นว่าเราทั้งหลายจะพึงให้ลูกสาวแก่ท่านแลบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเราทั้งหลายพึงให้ทัชเชมุได้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายพึงให้คำว่าผู้มีร่างกายงามสมส่วนสุตนุงได้แก่ผู้มีรูปร่างอันสวยงามคำว่า นำมาในนาคพิภพนี้อิทะมาหเรสิได้แก่ท่านพึงนำมาในนาคพิภพนี้พระมหาสัตว์ได้สดับถ้อยคำของปุญญกะยักษ์นั้นจึงคิดว่าพระนางวิมลาจะต้องการดวงหัตไทยของเราหาไม่ได้แต่ว่าพยาวรุณนาคราชฟังธรรมกถาของเราเกิดความเลื่อมใสเอาแก้วมณีบูชาเรา กลับไปถึงหน้าพิภ พ, พนั้นแล้วจากพันานาความที่เราเป็นธรรมกถึกแก่พระนางเป็นแน่เมื่อเป็นอย่างนั้นความปรารถนาด้วยธรรมกถาของเราจะเกิดขึ้นแก่พระนางวิมลาพยาวรุณนาคราชจากถือผิดไปจึงทรงบังคับปุลณกะยักษ์นี้ที่ถือผิดไปตามพระองค์มาเพื่อฆ่าเราให้ตายภาวะที่เราเป็นบัณฑิต ได้ทำเราให้ได้รับทุกถึงเพียงนี้ความที่เราเป็นผู้สามารถในอันค้นคว้าหาเหตุที่ตั้งและเกิดขึ้นได้นั้นเมื่อปุรนกะยักฆ่าเราให้ตายเสียจกทำประโยชน์อะไรได้เอาเถอะเราจะเตือนมานบนั้นให้รู้สึกตัวจึงกล่าวว่าแน่มานพข้าพเจ้าย่อมทราบสาธุนธรรมในขณะที่ข้าพเจ้ายังไม่ตาย ท่านจงยังข้าพเจ้าให้นั่งลงบนยอดบรรพศแล้วตั้งใจฟังสาธุนรธรรมก่อนพึงทากิจที่ท่านปรารถนาจะทำในภายหลังแล้วคิดว่าเราพึงพรรณนาสาธุนรธรรมยังปุญญกะยักษ์ให้มอบชีวิตคืนแก่เราพระมหาสัตว์มีศีรษะห้อยลงเบื้องล่างอยู่อย่างนั้นนั่นแหละกล่าวคาถาว่าท่านจงยกข้าพเจ้าขึ้นโดยเร็ว ถ้าท่านมีกิจที่จะต้องทำด้วยหัตถ a ยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะแสดงสาธุนรธรรมทั้งปวงนี้แก่ท่านในวันนี้